การเวลาไม่คอยท่าลมหายใจเนี่ยมันจะหยุดลงเมื่อใดก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อไม่ให้ประมาท ถ้าบุคคลประมาทไม่สำรวมจิตของตนปล่อยให้จิตนั้นไปผูกพันอยู่กับโลกต่างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเรามาอาศัยอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยง สภาวะที่ไม่เที่ยงมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่เสมอทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติบางทีก็กระทบอย่างแรงบางคนอดทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหมนี่มันก็ปรากฏอยู่ อืทุกคนต้องได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายกายออกไปก็ดีก็ย่อมได้สัมผัสกับของไม่เที่ยงเหล่านี้อยู่เรื่อยไปหลยจนกว่ามันจะได้จากโลกนี้ไปอา้าวถ้าจากโลกนี้ไป เมื่อยังละอุปท า, านไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ไปเกิดอยู่ในโลกได้ก็ไปสัมผัสกับความไม่เที่ยงอยู่นั่นเองเ่ <c oughs> จะไปเกิดบนสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมวันโลกนั่นก็ยังไม่เที่ยงอยู่พอหมดบุญวาสนาลงแล้วก็เคลื่อนที่ จุดติจากที่นั้นไปหาที่ทเกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทภาวนาพิจารณาให้เห็นความไม่ยั่งยืนแห่งโลกสันิวาตอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยึดไปถือไปห่วงใยอะไร ควรสอนใจของตนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วสงบใจอยู่ไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆในโลกไ <c oughs> อจิตที่มันไปสำคัญว่าสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงจึงได้หลงรักหลงชังถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็หายหลงเลยไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังเลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้น ทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบงับงคับบัญชาของผู้ใดเลย <c oughs> และอย่างนี้นะยังจะไปเมารักเมาชังอยู่มันจะสมควรหรือธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ย่อมสอนใจตัวเองไปอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่า มันจะละความรักความชังอันนั้นได้เด็ดขาดไปทันทีเลย <c oughs> มันก็ต้องพยายามสอนใจนี้ให้บรรเทาไปทีละน้อยละน้อยไปอันความรักอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษ เป็นบาปเป็นกรรมก็มีรักเฉยๆไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นเครื่องทวงจิตใจนี่ให้คล่องอยู่ในโลกทั้งสามนี่โลกใดโลกหนึ่งอย่างนี้ก็มีกดความรักนะมันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวนั้นให้เข้าใจกัน ในเมื่อเรายัางละความรักขั้นละเอียดยังไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละความรักขั้นหยาบนั้นให้ได้เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ความรักอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษเช่นไปรักเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเป็นบาปเป็นโทษ ก็ต้องสอนใจตัวเองให้ละความรักอย่างนั้นเสียมารักอยู่แต่ในผัวและเมียซึ่งได้แต่งงานการตามประเพณีโดยถูกต้องแล้วเท่านี้มันก็ไม่ได้เกิดบาปเกิดโทษอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละ ถ้ายัางละไม่ได้โดยเด็ดขาด <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เพียงพยายามภาวนาเจริญสมถะให้มันได้ถ้าเจริญสมถะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนี้ก็ทาให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดส่งใจไปยึดมั่นอยู่ในรูปเสียงที่ตนรักใครพอใจ <c oughs> อยู่เช่นนั้นมันก็ทำให้พรหมจัน์ไม่บริสุทธิ์ได้ด่างกล้อยไปขอให้เข้าใจ <c oughs> เราต้องพยายาม ถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นออกจากดวงจิตให้ได้อย่าพอใจในสัญญาอารมณ์เหล่านั้นที่มันจะถอนได้เพราะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันนี้ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นแหละมันก็จะถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นได้ก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัย ถ้าผู้ไม่ประมาทลงมือฝึกเข้าไปอย่างที่ว่านี้นะตอนฝึกทีแรกมันก็ลำบากเหมือนกันแหละอึดอัดวุ่นวายในหัวใจเพราะว่า <c oughs> <c oughs> จิตนี่มันเคยไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมาโดยลำดับอย่างนี้นะ แล้วเราจะมาส ก, กัดกั้นมันไม่ให้มันส่งกระแสไปผูกพันเช่นนี้นะมันก็ต้องอึอดอัดดิ้นรนนะสำหรับผู้จะมาเห็นโทษแทงความยึดถืออย่างว่านั้นแล้วมันก็สู้กันแหละอดทนนะอดกัน้นไม่ไม่ไหลไปตามกระแสจิตอนันั้นต่อไป <c oughs> เมือ่อสู้กันไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้กีรเลเราเนี้ยมันก็อ่อนกำลังลงมนนไ เ, เมื่อมันอ่อนกำลังลงแล้วมันความดิ้นรนของจิตใจมันก็อ่อนลงอ่อนลงในที่สุดมันก็ยุติลงได <c oughs> <c oughs> ้ก็เข้าถึงความสงบได้นี่เรียกว่า เราเพียรพยายามละความรักสำหรับบรรทชิดอันนี้นะ <c oughs> สำหรับเครือหัดนั้นแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันยังคุกคยยี่ยกับความรักความใคร่แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลตามธรรมเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาท นำไปสู่นำไปสู่นรกอบายภูมิดังนั้นนะเราควรเข้าใจกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามเพศตามภูมิของตน <c oughs> ให้มันสมบูรณ์ให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็การนับถือพระพุทธศาสนา ก็นับว่าเป็นผลอันดีได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแต่คนส่วนมากนะ่ยเลยถือว่าความรักความชังนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเราไม่ไม่ถือว่ามันมีโทษมีภัยอย่างนี้ก็มี เมื่อไปถืออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดจะละจะถอนมันเลยไม่ได้พยายามว่าจะละมัน พ, พอถือเป็นเรื่องธรรมดาเยพระพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัท ถ, ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทรงอุมปมารุปมาความรักความชังนี่ ไวมากมายกายกอง <c oughs> ความรักนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้แย่งชิงกันรักอะไรก็ช่างลยรักเงินรักทองรักทำการค้าการขายเพราะมันคนจำนวนมาก มันก็ต้องแข่งกันแย่งชิงกันหมนูเนีรักผัวรักเมียก็เหมือนกันบางทีชายสองคนไปรักหญิงคนเดียวกันหรือว่าชายหลายคนไปรักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่เปิดโอกาสให้แกกกันและกันเลยอย่างนี้มันก็ต้องได้ ขําหันกันลงไปต้องได้เบียดเบียนกันทําลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไปนี่โทษแห่งความรักเพราะองค์เจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างซากศพที่ตายแล้วซากศพของสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยที่ตายแล้วหากทิ้งอยู่บนดินเนี่ย บรรดาสพรพสัตวที่ชอบของโสโคกเหล่านี้เช่นสุนัขยิ้งจอกสุนัขบ้านก็ดีพวกแร้งพวกกาหมูเนี่ยมันก็รุมกันแย่งกันกินอยู่ไงนเนี่ตัวไหนมีกําลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าแล้วก็เบียดเบียนตัวมีกําลังน้อยกว่า ตัวที่มีกำลังน้อยกว่านั้นกลัวจะได้กินนี่ก็เจ็บตัวมากมายเพื่อนจิกเพื่อนทำลายเอาอย่างนี้แหละหาความสบายไม่ได้เลยม <c oughs> ีแต่ยื้อแย่งกันอยู่นั่นเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่า ไม่มีคุณธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่แปลกจากสัตว์ปีระฉานเท่าไหร่นักไอ้พูดถึงความรักความชังหมูนี้นะมันพอพอกันเลยนะก็ก็คงทราบกันดีอยู่นี้ไอ้พวกไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็แย่งชิงกันอยู่อย่างนั้น ถ้ากันตายอยู่อย่างนั้นไม่ถึงตายก็เลยว่าคางเหลืองไปนั่นแหละมันเบียเดเบียนกัน <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่พอๆกันหรือ ก, กระพบจะเจริญทางขวางเหล่านั้นนะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เรานะมีมนุษยธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็ ได้ชื่อว่าอยู่เหนือสัตว์เหล่านั้นจริงะมนุษยธรรมนี่ก็ได้แก่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกันไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาคือความรักใคร่ปาถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุข ทุกทวนหน้าไปนี่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์อะถ้าหมู่มนุษย์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจกันเป็นจำนวนมากแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกันนะมันก็บรรเทาความโลภความกโกรธความหลงหลงได้ก็ว่าอันบุคคลผู้ที่ สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีในโลกไอ้ที่ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ในโลกอันนี้นะอาศัยความโลภความโกรธความหลงนี่นะเป็นมูลเหตุเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนพุทธบริษัทโดยปริยาย ต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นชีวิตอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีเกิดแล้วก็แปรพวนแจกดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วเมื่อเวลายังเป็นอยู่นี่ก็ยังประกอบไปด้วยความทุกข์นานาประการถ้าเมื่อมามองดูสังขารร่างกายอันนี้ เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอๆอย่างว่านี่นะมันก็วันเทาความโลกโกรธหลงลงได้จริงๆก็จะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่ามองดูคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกับร่างกายที่ทนอาศัยอยู่นี่ถึงว่าไม่ไปทําลายมันมันก็แปรปวนแตกดับไปเองมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปทำลายล้างผลาญซึ่งกันและกันให้เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเนี่ยผู้มาพิจารณาเห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยของนามของรูปอันนี้ว่ามันเป็นมาด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลทำเอามาแต่ก่อนมันตามมาตกแต่งให้ อันบุญกรรมบาปกรรมที่มันนำมาแต่งร่างกายสังขาร น, นี่ให้มันก็ไม่เที่ยงมายังยืนนี่เมื่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ยังยืนแล้วร่างกายนี่มันจะยั่งยืนมาแต่ไหนเพราะว่าเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่นามาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่ามันมาตกแต่งให้แล้วมัน ดับไปเลยไม่ใช่บุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนะมันมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วมันก็รักษาอีกด้วยเมือนก็รักษาไปไม่ให้มันแตกไปทําลายไปก่อนแต่ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมเหลนะ่านั้นมันมีขอบเขตจํากัดเมื่อมันรักษารูปร่างกายอันนี้ไปนานไปนานไปมันจนจําหมดลงมันก็ อ่อนกำลังลงเลยกำลังของบุญของบาปนั้นออมันจะรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วที่เราเรียกกันว่าชราความแก่นั้นก็เพราะว่าบุญกรรมเหล่านั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วร่างกายนี้มันจึงได้ทรุดโทรมลงไปถ้าร่างกายนี้นะ ต้องอาศัยแต่เฉพาะอาหารนี่หล่อเลี้ยงไว้แล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งตลอดไปเลยอย่างนี้แล้วใครๆก็ย่อมรับประทานอาหารเหมือนกันหมดถ้าเะฉนนั้นร่างกายนี้มันก็ต้องแข็งแรงเรื่อยมาสิมันก็จะไม่สารุชดชดทมแหละถ้าอาศัยแต่อาหารหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมลองสังเกตดู นี่แสดงว่าอาศัยทั้งบุญกรรมบาบกรรมด้วยอาศัยอาหารในปัจจุบันนี่ด้วยรอเลี้ยงร่างกายอันนี้มาโดยลำดับเหมือนก็จึงมาเป็นมาอยู่ได้ปันนี้ทีนี้เมื่อบุญเก่ากรรมเก่าอันนั้นมันล่อยหล่อลงไปแล้วอย่างนี้นะอาหารก็ช่วยไม่ได้บะนี้นั่นอาหารก็รับประทานไม่ได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังบริบูรณ์อยู่เหมือนเมื่อบุญเก่ามันยังมีกําลังอยู่นั่นแหละรับประทานอาหารก็ได้มากนอนก็รับดีอย่างนี้แหละพอบุญเก่านี่มันล่อยหลอลงไปแล้วบันนี้รับประทานอาหารก็น้อยลงน้อยลงรสชาติของอาหารก็ไม่อร่อย สาบซึ่งเหมือนแต่ยังหนุ่มลอดอาหารก็หมดไปหมดไปผู้ดใดเป็นคนแก่มันต้องรู้เองเลยรู้เอง <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนี้แหละการภาวนาการพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปตามสภาพความเป็นจริงของร่างกายสังขาร น, นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พิจารณา นอกเหนือจากสภาพความเป็นจริงหรอกความจริงนะทรงสอนให้พิจนาถึงความจริงของร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรก็ให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปเมื่อเมื่อรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามเป็นอย่างนั้น ทำไมจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนี่สิเพราะว่าจิตใจที่มาใส่อยู่ในร่างกายนี้ก็มุ่งหวังอยากจะให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนไปตลอดการนานนุ่นไม่ต้องการให้ร่างกายสุดโทมแตกดับไปแม้แต่น้อยเดียวไม่ต้องการเลยนี่ความประสงค์ของดวงจิตมีอย่างนี้ แล้ววันนี้มันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเลยอยู่นานปีนานเดือนมาแล้วก็มันก็แสดงอาการชำรุดสุดโทมให้รู้สึกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าอยู่นานไปเท่าไรยิ่งได้เสวยทุกขเวทนานั้นเกิดจากความชำรุดสุดโรมของร่างกายนี่ไปเท่านั้นแหละ บางคนถึงกับแช่งตัวเองว่าโอ้กรรมานานตายแท้พะว่าทำไมอยู่นานเหลือเกินทนทุกข์ลำบากยากเย็นเหลือเกินจริงนะบางคนนะเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วโรคภัยกระเบียดเบียนกับวันนังทั้งความชราครอบงำเข้าไป จะตายก็ไม่ตายจะมีกําลังแข็งแรงขึ้นก็ไม่มีเช่นนี้มันก็ได้ เ, เอเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันถึงลงทุนสาบแช่งตัวเองไปก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคน มันจึงต้องภาวนาจึงด้พิจารณาให้ให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี่พร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างที่ว่ามานี่แหละเมื่อเห็นทำเป็นจริงอนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สาบแช่งตัวเองเลยถ้าว่าตอนอยู่ไปนานแต่ร่างกายนี้มันทุดโทรมไป ก็เป็นต บ, บุญตกรรมที่ตนทํามาแต่ก่อนนู่นแหละมันมาอํานวยผลให้ตนทําอย่างไรมามันก็อํานวยผลให้อย่างนั้นเราจะไปแต่งให้มันดีตามความประสงค์ของคิดใจไปได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าต้องการอยากให้มันมีร่างกายอันนี้ยั่งยืนนานออไปจนตลอด เข้าแก่ชลาขอให้มีกำลังเลี่ยวแรงดีอย่างนี้นี่ก็จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเนะอในชาตินี้แหละผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี่แล้วรู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่หมดยังจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารอยู่เช่นนี้นี่ต่อพยายามเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ให้เขาได้รับความเจ็บปวดหรือว่าลำบากทนทุกข์ทรมานต่างๆมูนี้นะก็เว้นเลยไม่เบียดเบียนใครเลยเจริญเมตตากรุณาปาสนาให้ตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนไปแล้วคมเว้น อันใดก ร, รมชั่วอันใดที่ตัวได้ลุ่มหลงทามาแต่ก่อนได้เคยเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นมาอธิษฐานใจละเว้นเสียแล้วจกไม่ทําเช่นนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้ก ร, รมชั่วเวียนชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทํามาก็จงลดน้อยถอยบาวางออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้ เราไหวพระภาวนาแล้วก็อธิษฐานใจและเว้นกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนลุ่มหลงทำมานั้นเสมอเ ส, สมอไปเราอย่างนี้กรรมชั่วที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตใจนี่เพราะใจไม่ชอบมันแล้วเบื่อมันแล้วมเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอามันไปแล้วมันก็ มันก็บำบางไปหมดไปหมดไปเท่านั้นเองนะเพราะว่าทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปเมื่อใจมันมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังอยู่อย่างนี้แหละก็เมื่อเราเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลว่าจะอำนวยผลให้เป็นสุขไป ตลอดถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญนี่แหละอย่างนี้รู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ทําความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่พอใจในบาปอย่างนี้้ะบาปมันก็เบาบางไปแหละแบบ น, นี้นะนนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ภาเพียนพยายามละบาปแล้วบําเพ็ญบุญให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้ ก็ต้องอาศัยภาวนานี่เองนะขอให้เข้าใจใครไม่ภาวนาแล้วลักบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้เลยลำพังแต่ให้ทานรักษาสินเฉยๆอย่างเนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําบุญกุศลขั้นสูงให้เจริญขึ้นไปได้ก็ได้แต่บุญกุศลขั้นต่ำเท่านั้นเอง แล้วกีเลศก็ยังไม่เบาบางออกไปจากกิจใจเท่าไรนักนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี่แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ตั้งใจพอใจในการไหว้พระ สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ยังไม่สงบให้สงบลงไปฝึกใจที่สงบอยู่แล้วให้เกิดปัญญาให้คิดค้นพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังบรรยายให้ฟังมาโดยลําดับนั้นแหละและให้รู้ชัดว่าเหตุปัจจัยของชีวิตเหล่านี้ไม่เที่ยงเมื่อมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันกระดับไป เมื่อเหตุปัจจัยนี้ดับไปชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทาลายไปเราก็ทำความรู้เท่าในใจไว้อย่างนี้แล้วก็สะสมบุญกุศลคุณพระตนะนกลไว้ในใจเอาเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงไว้ในใจของตนเช่นนี้แล้วก็นับว่าไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้ทำชีวิตให้เป็นหมัน ทำชีวิตให้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจดังแสดงมา